ย่อมให้ทานเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ท่านพระโคโดมทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างหรือญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นจะได้บริโภคทานนั้นบ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ทานนั้นย่อมสาเร็จในฐานะเท่านั้น ไม่สำเร็จในอัานะเรื่องฐานะและอัานะชาณวสุนิพรามทูลถามว่าท่านพระโคโดมฐานะเป็นอย่างไรอัานะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาบพูดเพ้อเจอ้อ เพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในนรกเลี้ยงอัตภาพในนรกนั้นดำรงอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แหละเป็นอาถานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์และถึงเป็นมิจฉาทิฐิ หลังจากตายแล้วเขาย่องไปเกิดในกำเนิดสัต์ิรชานเลี้ยงอัตภาพในกำเนิดสัต์ิรชานนั้นดํารงอยู่ในกำเนิดสัต์ิรชานนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดสัต์ิรชานพรามภูมิที่ทานไม่สําเร็จแก่สัตว์ผู้ดํารงอยู่นี้แหลเป็นอัตฐานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในการมการพูดเท็จ การพูดสอเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพอเจ้อไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกมนุษย์เลี้ยงอัตภาพในมนุษยโลกนั้นดำรงอยู่ในมนุษยโลกนั้นด้วยอาหารของพวกมนุษย์พราหม์ภูมิที่ทานไม่สาเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัตานะ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และถึงเป็นสัมมาทิฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาเลี้ยงอัตภาพในเทวโลกนั้นดํ m รงอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของหมู่เทวดาพรามภูมิที่ทานไม่สำเร็จแกสัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แหละเป็นอาถานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในภูมิแห่งเปรตเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้เกิดในภูมิแห่งเปรตหรือเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นด้วยปฏิทานไมคุศลจากมนุษย์โลกนี้ที่มิตรอมาตหรือญาสาโลหิตของตนอุทิศให้ พรามภูมิที่ทานสำเร็จเกียสัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นฐานะท่านพระโคโดมก็ถ้าญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นจะไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพรามญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่าอื่นของตนผู้เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นท่านพระโคโดม ก็ถ้าญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นและญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของตนเมื่อเข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพราหมณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่างจากญาสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านพระโคดมย่อมตรัสข้อกําหนดแม่ในอฐานะหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามเรากล่าวข้อกำหนดแม้ในอัถานะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม เครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีกแก่สมณะหรือพราหมณ์หลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกำเนิดแห่งช้างทั้งหลายได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดแห่งช้างนั้นเพราะกรรมที่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อ เพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตยพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกําเนิดแห่งช้างทั้งหลายและเพราะกรรมที่บุคคลนั้นให้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาจึงได้อาหารน้ําดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดแห่งช้างนั้นพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมผู้เท็จผู้ส่อเสียดผู้คำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราม หลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกำเนิดแห่งมา้าละถึงหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกำเนิดแห่งโคหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกำเนิดแห่งสุนัขละถึงได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดแห่งสุนัขนั้นเพราะกรรมที่บุคคลในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จผู้ส่อเสียด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 เครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาจึงเป็นผู้ได้การมคุณห้าที่เป็นของมนุษย์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึงเป็นสัมมาทิฐิบุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ หลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาและได้กรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นเพราะกรรมที่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึงเป็นสัมมาทิฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาและเพราะกรรมที่บุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราหม์เขาจึงได้กามาคุณห้าอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพราหม์ถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านพระโคโดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อที่ทายกเป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้ควรที่จะให้ทานควรที่จะศรัทธาโดยแท้พราหม์ข้อนี้เป็นอย่างนี้ ข้อนี้เป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านพระโคโดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตชานุโสโณนิสูที่สิอจบชานุโสโณนิวักที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พรามณปัจโรหณิสูตร 2. อริยปัจโรหณิสูตร 3. สคารวะสูตร 4. โอริมาสูตร 5. ปฐมอธรรมสูตร 6. ทุติยอธรรมสูตร 7. ตติยอธรรมสูตร 8. กรรมนิธานสูตร 9. ปริกรรมะณะสูตร 10. จุนทัสูตร 11. ชานุสโสนิสูตร 3. ส, สาธุวักว่าด้วยทำที่ดีและทำที่ไม่ดี 1. สาธุสูตร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 2. อธินนาทานการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิฉาจาร์การประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทการพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. พภรุสวาจาการพูดคำหยาบ 7. สัมผั ป, ปลาปะการพูดเพอเจอ้อ 8. อภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. พยาบาท ความคิดร้ายสิทธิ์มิจฉาทิฐิเห็นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่ดีทำที่ดีอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาส 2. เจตนางดเว้นจากอธินาทาน 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร์สเจตนางดเว้นจากมุสาวาท 5. เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจา 7. เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะ 8. อนาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา9ก้าอภยบาทความไม่คิดร้ายสิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ดี สาธุสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อริยธรรมสูตรว่าด้วยอริยธรรมและอนนริยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยธรรมและอนนริยธรรมแก่เธอทั้งหลาย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 เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมสูตรที่สองจบ 3. กุชลสูตรว่าด้วยกุศลธรรมและอกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกุศลธรรมและอกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลาย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 เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากุศ ล, ลธรรมกุศลสูตรที่สจบ 4. ี่อัตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์และธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตละถึง 10. มิชาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่ง เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นประโยชน์อัตถสูตรที่สจบ 5. ธรรมสูตรว่าด้วยธรรมและอธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมและอธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอะธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตละถึงสิ 10. มิชาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอะธรรมธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึงสิบสัมมาทิฏฐิ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีอาสะวะอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตและถึง 10. มิชาทิฐิพิกษสุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีอาสะวะธรรมที่ไม่มีอาสะวะอะไรบ้างคือ 1. เจตนา ง, งดเว้นจากปานาติบาตและถึง 10. สัมมาทิฐิภิกษสุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทมที่ไม่มีอาสะวะสาสะวะสูตรที่หจบ 7. วัชชะสูตรว่าด้วยทมที่มีโทษและที่ไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทมที่มีโทษและทมที่ไม่มีโทษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตและถึง 10. มิชชทติฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตและถึง 10. สัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ธรรมที่ไม่มีโทษวัชชสูตรที่เจ็ดจบ 8. ตบปณิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนและธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว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 ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนตปะนิยสูที่8จบ 9. อาจจะยะคามิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและนิพพานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิและธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเลือตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตละถึง 10. มิชาทัทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิ ธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึงสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาจจยคามิสูที่9จบ 10. ทุกขทรยะสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และที่มีสุขเป็นกาไร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 ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุก์เป็นกำไรธรรมที่มีสุขเป็นกำไรอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึงสิสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นกำไรทุกขุทรยะยสูตรที่สิบจบอวิปากสูตรว่าด้วย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 ละถึงสิบมิชาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกเป็นวิบากธรรมที่มีสุขเป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณติบาตละถึงสิบสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นวิบากวิปากสูตรที่ส1อจบสาธุวักที่สามจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สาธุสูตร 2. อริยธรรมสูตร 3. กุศลสูตร 4. อัฏฐสูตร 5. ธรมมสูตร 6. สาสวะสูตร 7. วัชชสูตร 8. ตปนิยสูตร 9. อาจยะคามิสูตร 10. ทุกขุทรยะสูตรสิอ วิปากสูตร 4. อริยมกขวักหมุดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค 1. อริยมกสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคและที่ไม่ใช่อริยมรรค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 เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นอริยมรรคอริยมรรคขสูรที่หนึ่งจบ2กัณหมรรคขสูรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำและที่เป็นฝ่ายขาวภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นฝ่ายดำและธรรมที่เป็นฝ่ายขาวแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เป็นฝ่ายดําอะไรบ้างคือหนึ่งปาณาติบาตละถึง10มิชฌาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายดำธรรม ท, ที่เป็นฝ่ายขาวอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึง10บสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายขาว การหามัคคุุรที่สองจบ 3. สัทธธรรมสูตรว่าด้วยสัทธธรรมและอาสัทธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัทธรรมและอาสัทธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอาสัทธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปาณาติบาตละถึง10มิชฌาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาสัทธรรม สัตธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึงสิสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัตธรรมสัตธรรมสูตรที่สามจบ 4. สั ป, ปุริสะธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมของสัตว์บุรุษและธรรมของอสัตว์บุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมของอสัตว์บุรุษอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาและถึง 10. มิชาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมของอสัตว์บุรุษธรรมของสัตว์บุรุษอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาและถึงสิบ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 ธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตละถึงสิบมิชชัทิติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นขาดจากปานาติบาตละถึงสิบสำมาทิฐิพิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอุปาเทตัพธรรมสูตรที่ห้าจบ 6. อาเสวิตพธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและที่ไม่ควรเสพภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรเสพอะไรบ้างคือหนึ่งปาณาติบาตละถึง 10. มิชฉัทิธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรเสพธรรมที่ควรเสพอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึงสิสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเสพอาเสวิตับพระธรรมสูตรที่หจบ 7. ภพาเวตับพระธรรมสูตร ว่าด้วยรร ท, ทำที่ควรเจริญและที่ไม่ควรเจริญภรริกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำที่ควรเจริญและทำที่ไม่ควรเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำที่ไม่ควรเจริญอะไรบ้างคือหนึ่งปาณาติบาและถึงสิมิชาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่ควรเจริญทำที่ควรเจริญอะไรบ้างคือหนึ่ง เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึงสิสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญพาเวตัาภธรรมสูตรที่เจ็จบ8พระหุลีกาตัปพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มากและที่ไม่ควรทำให้มากภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้มาก และทำที่ไม่ควรทําให้มากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำที่ไม่ควรทําให้มากอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตละถึง10มิชชัทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่ควรทําให้มากทำที่ควรทําให้มากอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตละถึง10สัมมาทิฐิ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทาที่ควรทำให้มากพระหุลีกาตัพสูที่8ปดจบ 9. อนุสริตัพสูว่าด้วยทาที่ควรระลึกและที่ไม่ควรระลึกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทาที่ควรระลึกและทาที่ไม่ควรระลึกแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทาที่ไม่ควรระลึกอะไรบ้างคือ 1>, 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิชชทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีควรระลึกธรรมที่ควรระลึกอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรระลึกอนุสริตัระสูที่9้า สิชิกาทั พ, พสูตรว่าด้วยทำที่ควรทำให้แจ้งและที่มีควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำที่ควรทำให้แจ้งและทำที่มีควรทำให้แจ้งแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำที่ม่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตละถึง 10. มิฉาทิฐิภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าธรรมที่มีควรทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตและถึงสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทําให้แจ้งสัจจิกาตพสูตรที่สิบจบอริยะมะกขวัตที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวรรมนี้คือ หอริยมกสูตร 2. กันหามกสูตร 3. สัทธรรมสูตร 4. สปุริสธรรมสูตร 5. อุปาเทตัพธรรมสูตร 6. อาเสวิตัพธรรมสูตร 7. ภาเวตัพธรรมสูตร 8. พหุลีกาตัพสูตร 9. อนุสริตตพสูตร 10. บสัชิกาตัพสูตร ห้าอบ ป, ปุคละวัคหมวดว่าด้วยบุคคลอีกหมวดหนึ่งหนึ่งนวิตาภาที่สูตรว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรเสพเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเสพธรรมสิประการอะไรบ้างคือบุคคลหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์สองเป็นผู้ลักทรัพย์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 บุคคลประกอบด้วยทำสิทธประการเป็นผู้คนรเสภทำสิทธประการอะไรบ้างคือบุคคล 1. เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกาง 4. เป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นข่าจากการพูดส่อเสียด 6. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบ 7. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อแเป็นผู้ไม่เพ่งเล็องอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษสุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้เป็นผู้ควรเสพในที่นี้ควรนับสูตรที่200เป็นต้นไปตามที่ละไว้ บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรคบและถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด sí, ้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรคบบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรบูชาภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรสรรเสริญภิษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเคารพภิษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรมสประการเป็นผู้มีควรยำเกรง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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมครอบงามานะได้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมไม่เจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมเจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากและถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสประการย่อมประสบบุญเป็นอันมาก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 เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาเก้าเป็นผู้มีจิตไม่ยพยาบาทสิบเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมประสบบุญเป็นอันมากนาเสวิตาพาทิสูตรจบอประปุคละวัคที่ห้าจบจะตุทะปันนาจบปริบูณ์